ใจใหม่ตอนใจมีสติใจมีสติคือใจที่สามารถเห็นสิ่งที่ควรเห็นตรงหน้าสติช่วยให้ไม่ผิดหวังนานเพราะยอมรับความจริงได้เร็วช่วยให้แก้ปัญหาได้ดีเพราะมีปัญญารู้เห็นต้นเหตุแจ่มแจ้งช่วยให้ไม่พลาดโอกาสสำคัญเพราะรู้ตัวไม่เผลอไผล ช่วยไม่ให้ถูกรบกวนจากอดีตและอนาคตเกินไปเพราะราลึกได้ว่าอะไรคือปัจจุบันที่ควรใส่ใจกับคนบางคนถ้าคุณตั้งกีจจำกัดไว้ได้ถูกว่าจะรู้จักคบหากันถึงแค่วันไหนก็อาจมีแต่ความทรงจำแสนดีที่คงไว้ถ้าว่าในความเป็นจริง ชีวิตไม่เคยบอกว่าเรื่องดีๆจะมีถึวันไหนและเมื่อถึงวันสิ้นสุดก็อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความทรงจําที่เลวร้ายแม้เสียดายเพียงใดก็ไม่มีใครช่วยย้อนเวลากลับไปแก้ไขวันอันไม่เป็นที่รู้ลวงห น, นั้นได้ชีวิตไม่ได้ตามใจคุณไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังของใคร ทุกอย่างอยู่กับเหตุปัจจัยแทรกแซงอันไม่อาจคเนบทเรียนบางบทจดจำไว้ใช้ระวังในครั้งต่อไปได้แต่บทเรียนลหลายบทที่ผ่านมาครั้งเดียวไม่เปิดทางให้ซักซ้อมก่อนล่วงหน้าและไม่ให้โอกาสแก้ตัวซ้าภายหลังพลาดแล้วพลาดเลยผ่านแล้วผ่านเลยผลเป็นอย่างไรทำได้มากที่สุด ก็แค่จำไว้อย่างนั้นก่อนตายในแต่ละชาติความรู้สึกท้ายๆจะบังคับให้มองย้อนหลังเพื่อเห็นความจริงเพียงหนึ่งเดียวคือเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเหมือนละครที่ไม่มีอะไรจริงมีแต่ความเปลี่ยนแปลงสลับฉากไปเรื่อยทุกฉากต้องมีสิ้นสุดโดยเฉพาะฉากจบสุดท้าย ที่ต้องเสียทุกสิ่งแม้ความทรงจำใครยึดไว้ก็เสียใจเปล่าตายไม่สงบหลอกปล่าวใครปล่อยได้ก็สบายใจตายอย่างเป็นสุขง่ายๆทางเดียวที่จะปล่อยจริงคือต้องมีชาติใดชาติหนึ่งเห็นความจริงตั้งแต่กลางชีวิตว่าทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานับแตล่ลมหายใจ ไปจนกระทั่งอารมณ์สุขทุกทั้งหลายเมื่อเห็นความจริงอันไม่เที่ยงในกายใจได้ก็จะไม่ติดใจไม่เห็นอะไรภายนอกหน้ายึดหน้าหวังว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดไปได้เช่นกันแค่หายใจเข้าออกไกลๆก็ทำได้แต่หายใจเข้าออกด้วยความรู้สึกแสนดี คงมีไม่กี่คนที่ทำไว้ลมหายใจแบบพุทธคือลมหายใจที่เข้าออกอย่างเป็นธรรมชาติตามปกติเพิ่มเติมแค่มีสติรู้ว่ากำลังเข้าออกอย่างเป็นพุกหรือเป็นสุขถ้าให้ถามตัวเองว่ามีความสุขในชีวิตแค่ไหนแต่ละคนคงใช้เครื่องวัดไปต่างๆนาน า, นา บางคนคุ่นคิดถึงบุคคลและข้าวของที่มีอยู่บางคนใครค่รวนถึงปริมาณภาระและกิจกรรมบันเทิงบางคนคำนวณเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติและหนี้สินบางคนทบควนเกี่ยวกับวิธีคิดและอารมณ์เครียดน้อยคนจะสํารวจดูเดี๋ยวนี้เลยว่ากำลังหายใจเข้าออกด้วยความโล่งอกหรืออึดอัด ลมหายใจแห่งความโล่งอกที่เกิดขึ้นบ่อยๆจะตอบคุณเองว่าชีวิตคุณเป็นสุขโดยมากส่วนลมหายใจแห่งความอึดอัดที่เกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่จะฟ้องคุณให้รู้ตัวว่าชีวิตเป็นทุกข์โดยรวมรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆในชีวิตเป็นเพียงเปลือกห่อหุ้มหรือเหยื่อล่อให้ได้หายใจอย่างเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเท่านั้น ใครก็ตามที่เจริญสติรู้เห็นความจริงในชีวิตนี้อยู่ได้ชื่อว่ากำลังอยู่กับแก่นสารแห่งการมีชีวิตโดยแท้และใครก็ตามยอมรับตามจริงที่แก่นสารของชีวิตได้ว่าสุขทุกข์ไม่เที่ยงสุขทุกข์ไม่เท่าเดิมไม่ใช่สมบัติของใครย่อมได้ชื่อว่ากำลังอยู่กับแก่นสารความเป็นพุทธ เป็นพุทธคือผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นเห็นความจริงว่าไม่มีใครบังเอิญสุขไม่มีใครบังเอิญทุกจะเป็นสุขโดยมากก็เพราะใช้ชีวิตด้วยกุศ ล, ลจิตโดยมากจะเป็นทุกโดยรวมก็เพราะใช้ชีวิตด้วยอกุศลจิตโดยรวมไม่ได้มีตัวตนแห่งความสุขหรือความทุกข์ที่แน่นอนอยู่ก่อน คนฉลาดมักอารมณ์แรงและธรรมดายิ่งอารมณ์แรงมากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งมีแนวโน้มจะหุนหันพลันแล่นมากขึ้นเท่านั้นภาวะหน้ามืดหุนหันพลันแล่นคือแนวโน้มให้เกิดพฤติกรรมแบบคนโง่ยิ่งพฤติกรรมแบบคนโง่เกิดขึ้นบ่อยเท่าใดปมปัญหายิ่งซับซ้อนเอาความฉลาดตามมาแก้ในภายหลังได้ยากขึ้นเท่านั้น มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่รวมเอาความฉลาดสุดกับความโง่สุดไว้ในตัวคนคนเดียวได้สร้างชีวิตดีๆ ด, ด้วยความคิดอ่านอันชาญฉลาดได้เสร็จ แ, แล้วก็ทำลายชีวิตดีๆนั้นด้วยอารมณ์โง่งงมได้หรืออีกทีก็ก่อปัญหาขึ้นมาด้วยความฉลาดแบบครึ่งๆกลางๆได้เสร็จ แ, แล้วตอบย้ำซ้ำเติม ด้วยความโง่แบบเต็มๆได้ที่เป็นเช่นนั้นเพราะธรรมชาติของจิตจะถูกพุ่มห่อด้วยโมหะอันเปรียบเหมือนเมฆหมอกมืดดำที่ปิดกั้นปัญญาโมหะมีทั้งแบบปิดบังให้มืดบอดตลอดชีวิตเหมือนเช่นสัตว์นรกและสัตว์เดรัจฉานบางพวกที่มีบาปหนาแน่นโมหะมีทั้งแบบปิดบังให้มืดสนิด และเปิดโอกาสให้สว่างบ้านเหมือนเช่นเปรตและมนุษย์ที่สะสมทั้งบาปทั้งบุญมาไม่น้อยโมหะมีทั้งแบบเบาบางอย่างผู้มีทุลีในดวงตาเพียงน้อยเหมือนเช่นมนุษย์ผู้มีสติที่เจริญขึ้นรู้ความจริงตรงหน้ามากแล้วจัดการกับอารมณ์ห ย, ยาบๆยาได้ดีมากแล้วศา ส, สนาพุทธมีขึ้น เพื่อทำโมหะระดับมนุษย์ให้เบาบางลงจนเกิดแสงปัญญาชําแรกโมหะประทั่งสลายโมหะติ้นเชิงดุจแสงจ้าของดวงอาทิตย์ทำลายไอหมอกลงไม่เหลือคนฉลาดที่เจริญสติกระทั่งสติมีกำลังเกินอารมณ์ในที่สุดจะฉลาดจริงเพราะไม่มีอารมณ์ชนิดไหนทำให้หน้ามือดหุนหันพลันแล่นได้ ไม่เปิดโอกาสให้ฝากแผลไว้กับชีวิตแบบคนโง่ได้อีกเลยความอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคนอื่นทําให้เกิดความกระวนกระวายฟุ้งซ่านความอยากรู้อยากเห็นที่มาของความฟุ้งซ่านในตนทําให้ความกระวนกระวายฟุ้งซ่านระงับลงอยากเข้าป่า จะเจอทางเข้าป่าและหลงติดอยู่ในป่าโดยง่ายแต่ถ้าอยากออกจากป่ายังไม่แน่ว่าจะรู้ทางออกถึงเจอก็ไม่แน่ว่าจะออกมาสำเร็จผู้รู้อยู่ภายในไม่ทรงแต่ออกนอกเท่านั้นขึงนเบาใจว่ามีสิบออกจากป่าได้จริงสิ่งกระทบหนึ่งหนึ่งวันก่อนอาจเป็นครูเราไม่ได้ เพราเราเองยังไม่ถึงเวลาสนใจอะไรมากไปกว่าจะเอามาได้ยังไงหรืออาจจะสนใจแค่ว่าจะเอาเรื่องอยังไงดีแต่วันนี้สิ่งกระทบเดียวกันอาจเป็นครูผู้หน้าขอบคุณเพรามาในเวลาที่เราสนใจสังเกตจิตเห็นว่ากระทบแล้วกระเพื่อมได้แค่ไหนกว่าจะหมดแรงกระเพื่อมนั้นช้าหรือเร็วรู้สึกหรือยังว่า นั่นเป็นเกี่ยงการปรุงแต่งชั่วคราวของจิตยิ่งมีครูหลายคนก็ยิ่งเรียนรู้ได้มากขึ้นฝึกหัดได้บ่อยขึ้นเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆว่าเรื่องของคนอื่นมักเป็นเหตุปรุงแต่งจิตของเราบางทีเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องของคนอื่นแต่กลับเกิดความเสียหายกับจิตของเรา ตอเมื่อสนใจแต่ละความปรุงแต่งชั่วคราวของจิตเรากระทั่งรู้สึกขึ้นมาจริงๆว่าก็แค่อีกความปรุงแต่งหนึ่งเดี๋ยวเดียวก็สลายกลายเป็นความปรุงแต่งอื่นจิตจึงฉลาดขึ้นรู้สึกถึงทุ่งโล่งแห่งความคลายความยึดมั่นถือมั่นไร้แก่นสารเห็นตนเองออกจากป่ารกชัดได้อย่างง่ายดายราวกับปาฏิหาริย์ผ่าไป